เนี่วสุวิธีหน้าหน้าร้อยแปดสิบนะครับข้อที่หกสิบ่าข้อนี้น่าสนใจมากนะต้องมาติดตามนะครับใส่ใจใดีเลยนะครับที่สุรูปใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าคำเหล่าใดที่พระผู้มีพระภาคตัดไว้แล้วว่าเป็นคำที่สามารถจะทำอันตรายข้าพระเจ้าย่อมรู้ทั่วถึงคำศิษ ข, ขาบท ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วโดยประการที่ทำเหล่านั้นหาได้สามารถกระทําอันตรายแก่ผู้ซ่องเสกได้จริงไหมที่ส่รูปนั้นเป็นผู้อันศีสุทั้งหลายควรว่าตามอย่างนี้ว่าท่านอยากพู้อย่างนี้ท่านอยากล่าว ต, ตูพระผู้มีพระภาค การกล่าวถึงพระผู้มีพระภาพไม่ดีเลยด้วยว่าพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตัดอย่างนั้นผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตระธรรมที่สามารถกระทำอันตรายว่าเป็นธรรมที่สามารถกระทำอันตรายวัดโดยอเนกปริยานทำเหล่านั้นย่อมสามารถกระทำอันตรายแต่ผู้ ซ่องเสร็จได้จริงก็พิสูรรูปนั้นแม้ถูกพิสูทั้งหลายว่าคาดูอย่างนี้ก็ยังยืนยันอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมพิสูุทั้งหลายพึงส่วนสมานุภาพนกรรมสังสอนแอบพิสูรรูปนั้นถามครับเพื่อให้สลรดความเห็นนั้น ถ้าว่าถูกตัวสั่งสอนยังไม่ครบสามทั้งคืนสลัดความผิดนั้นได้การสลัดได้เช่นนี้เป็นการดีหากว่าไม่ยอมสลดัดต้องอาบัติจิตตีนี่ท่าบอกว่าจะมนี้พิสูรรูปหนึ่งเช่นพาะอริถางนะรเขาก็กล่าวว่านะทา่างพระเจ้าตรัสว่าสามารถทำสลาดเรียกว่าอันตรายที่จะทำนะรั เป็นอันตรายต่อมองผลนิพพานนะกั้นนะครับไฟสวรรค์ก็ไม่ได้นะครับมรุมาตรผลนิพพานก็ไม่ได้ซึ่งในสิกขาบทนี้นะหมายถึงอันตรายยี่จะทำคือการล่วงละเมิดสิกขาบทมางอย่างนะครับเดี๋ยวเนี่ยท่านจะบอกอันตรายที่จะทำมีห้าอย่างถ้ามาต่อไปนะครับแต่ในข้อเ น, นี้นที่เกี่ยวสิกขาบท น, นี้หมายถึงอาณาวิติกมันตราอันตรายคือการจงใจล่วงละเมิด อ, อ, อบาบัติพุทเจ้าตัดเอาไว้นะครับ ทีนี้พิสุจรูปนี้เนี่ยเ ก, ก็บอกว่าพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรทำลายห้ามผลนิพพานห้าทางไปสวรรค์นี่นะตออบายไฝบานใช่ไหมครับว่าไม่จริงหรอกไม่จริงผมเข้าใจหมดแล้วผมว่าศึกษามาพ <c oughs> ุทธเจ้าแต่ว่าทำลายได้น่ะไม่ได้เป็นอันตรายกับผู้ซ่องเสร็จเลยนะครับ <c oughs> การมีฝ่ายผิดอย่างเนี้ยนะมือฝ่ายผิดอย่างนี้นะครับก็ชื่อว่ากรารตัวพุทธเจ้านะครับ ทีิสู่รูปไหนที่ว่าได้ยินได้รู้เรื่องนะก็ต้องไปบอกนะถ้าอยู่บ้านเด็กกันแล้วก็ต้องไปบอกเลยและถ้าอยู่คนละบ้านก็ในรถสามีอนะ่ะแปดกิโลกึ่งโยนนะเรารู้ข่าวว่ามีภาพลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องไปบอกนะครับไปทุกรูปเลยนะต้องไปช่วยกันบอกนะครับเพื่อแก้สระที่จิตใจผิดอย่างเนี้ยนะนะครับทีนี้ว่าเราตักเตือก็เหมือนกับในสถานีศรีนะ ว่าการสําเรือข้างนอกก่อนใช่ไหมสามครั้งใช่ไหมครับถ้ า, กาแกไม่ยอมสนาแกก็ต้องถูกกดใช่ไหมค mm hmm. รับพี่สูรเราได้รู้แล้วก็ไม่ยอมสั่งเตือนพี่สูนนั่นก็ต้องทำปรตู ก, กดะครับทีนี้เมื่อสามครั้งแกไม่ยอมทํำยังไงก็พาแกดูว่าำการศพนะครับแล้วก็ว่าการสามครั้งแกไม่ยอมอีกแกก็ต้องถูกกดอีกใช่ไหมครับนี่พิสูรสองก็จะสวดกรรมวาจาสวดสมุนไพรชนากรรม ตัวสั่งสอนช่วยแกสนักพฤติกรรมนะครับจบยติต้องนะทุกคนกรรมวาจาสองครั้งทุกกดอยู่นะครับเมื่อจบกรรมวาจาคร้งสุดท้ายั้งที่สามไม่ต้องบัตรปาจิตตินครับอันนี้เป็นอย่างเนี้ยนะครันี้นะครับเดี๋ยวเราดูในในเรื่องเนี่ยโอ้จะสนุกนะครับว่าแกแกมีความยิ้มผิดมันเป็ไงคือแกยิ้ผิดขนามแกเข้าใจว่า อันปรปลาชีคข้อเศษเมทุนนะมันไม่ได้มีเทษอะไรนะครับไม่มีโทาอะไรเลยชาวบ้านดูซิเขมีลูกมีเมียนะครับยังเป็นพระโสดา บ, บันสกัด ท, ทาคามีอนาคามีได้นะนามวิสาขามหาอุบาสิกาอนาคาวิติกาใช่ไหมจิตต่าข้าบดีอะไรเนี่ยมาส่งบาสิการแย่ๆเนี่ยมีลูกมีเมียอะไรกันได้เนี่ยก็ยังมารลุธรรมได้เลยแล้วทำไมที่สุดจะมีอะไรไม่ได้ใช่ไมมมีอะไรกับผี่ไม่ได้จะไปกั้นอะไร ถ้ากั้นชาวบ้ า, าต้องมารลุทำไม่ได้สิแต่นี้เขาเยังบรรลุานระยากันเยอะแยะมากมายไม่ได้กั้นหรอกพระเจ้าต่างนั้นไม่จริงแกไม่เชื่อเะรัเนี่ยขนาดนี้เลยนะแ <c> ก <oughs> ก็ไปเทียบเพียงว่า <c oughs> ขนาดลูปเสียงกลิ่นรสรสพลาน อ, อย่างอื่นนะที่ไม่ใช่ตัวผู้หญิงใช่ไหมครับที่ไปจีบเท้าล้มหน้าปัญนาผ้าก็ยังมรรลุยังฟังเนี่ยอะไรได้ใช่ไหมครับเราดูภาพสวยๆงามที่ ท้องฟ้าสวยใช่ไหมมองทะเลสวยงามอย่างนี้ก <c oughs> ็ยังดูได้ใช่ไหมครับอ น, นะไอ้ก็เทียบเคียงทั้งหมดนะ <c oughs> แล้ก็เทียบเคียงขนาดว่าไอ้สัมผัสอ่อนนุ่มนะคร <c oughs> ับของเครื่องล่างนะ <c oughs> พวกเสือพวกหมอนพวกอะไรต่างๆที่มันอ่อนนุ่มอ <c oughs> ่ะพิสุก็ยังใช้ได้นะครับทำไมสัมผัสจิตรีน่จะเป็นสัมผัสถูกต้องไม่ได้อย่างนี้นักแกเทียบเคียงเขาว่ามันก็เหมือนกันใช่ไหมถ้าว่ารุจปรมาจารย์คืออะไร ก็คือผลตะพาลมที่น่าปฐนาใช่ไหมครับอิฐักผภาลมไม่มีอะไรเนะี่ยทําไมมันจะต่างกันยังไงครับไม่มีท่อหลอดเนี่ยแกเข้าใจายอย่างนั้นนะว่าไปรูปความไปจับต้องอะไรผู้หญิงได้มีอะไรกับผู้หญิงได้ใน่ไหมครับมันได้การสวนมันได้การมั่งคั่งอะไระมีออความผิดอย่างนี้นะมันจริงแกไม่ใช่ธรรมดานะแกเป็นนังเรียนที่ทำนะครับ เ, เป็นธรรมการเสริมนะครับแกเพี่ทำนะ แต่ว่าไม่นลือกซื้อในวินัยนะครับแกก็เลยเข้าใจผิดไปอย่างนี้นะครับนี่ น, น, นะครับคุณนุสังค์คือทั้งที่สามารถกระทำธอรมตาสวรรค์แก่การบรรลุมรรคผลและนิพพานมีห้าอย่างหนึงกิเลสอันตรายได้แก่ คำอันตรายแก่สวรรค์ได้มากสองกรรมอันตรายได้แจกอัตญมณยกรรมห้าทำอันตรายแก่สวรรค์แด้มากและเสดเมตุนกับพิสุนีถ้าอิุดยอมร้องใจทำอันตรายแก่มากอย่างเดียวถ้าถือใจทำอันตรายแก่สวรรค์ได้ด้วย 3. วิปลาอันตราย ได้แก่การเกิดบริษัทเดชามันดอกปุพโตพญานุกุศลทำอันตรายแก่มักคสี่อริยปวารันตรายได้แก่ว่าร้ายฆาตยฆทำอันตรายแก่สวรรค์แมงมรกราบเท่าที่ยังไม่ขอสมาท่าน ที่ยังไม่ได้ทมคืนโดยถูกต้องตาม ทุกกฎสงต้องสวดสมุทพาสนากรรมด้วยยัติจัตุถาคัมมาวาชาถ้ายอมละความหินในาวาว์ยังไม่ต้องปาสิติีถ้าไม่ยอมละจนสวดจบจึงจะต้องปาจิติีและก็ไม่ใช่ว่าจะอ่อยไว้แค่นี้สงต้องลงเขปนิยกรรม คือสว่วนยออกองจากหมู่คะไม่ให้มีสิทิที่เดิมแล้ว เ, เช่นไม่ให้สิทธในการร่วมทำสังคมกรรมตานตาไม่ให้ผู้ดใดแนะนาสอนทำไม่ให้สอนใครเป็นต้นที่สู่ผู้ถูกโลงเขนปณิยกรรมแล้วต้องกลับความหินเสียงใหม่ประพฤติตอนให้ดีขึ้น และจึงขอเขามาต่อสงฆ์สงจึงจะยอมรับเข้ามือเรียกว่าโอสาณกรรมและจึงจะใช้สิทธิที่อันเดิมนี้เป็น เ, เกียรติธรรมอธิบายยอดยอดเข้านะั้นที่วัดปักอันตรายที่จะทำข้อที่หนึ่งกิเลสันตรายได้แก่นิยธรรมวิชันทิฏีิสามอย่างก็จะมี นักสิกขาทิฏฐินะครับเหตุการณ์ทิฏฐิและกิริยาทิฏฐินะส่วนง่ายๆคือเสียกผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแบบดิ่งเลยนะครับที่ปฏิเสธเหตุใช่ไหมปฏิเสธกรรมปฏิเสธผลกรรมและก็ปฏิเสธทั้งสองอย่างนะครับก่อนปฏิเสธกรรมคือเรียกปฏิเสธเหตุนะครับปฏิเสธเหตุว่าการที่คนเราะจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นะครับ จะอยู่ดีมีความสุขใช่ไหมเดี๋ยวรับความกู้ความบังไรไม่มีเห็นไม่มีผลอะไรนะครับมันเป็นของมันเองจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ใช่ไหมมันเป็นของมันเองทั้งนั้ น, นครับไม่มีเห็นปัจจัยนะจะบริสุทธิ์จนบรรลุนิพพานไปเลยก็ ด, ดีนะหรือว่าจะเศร้าหมองตกนรกหมองไหมไบใบ ป, ไ ป, ไปูนก็ดีนะครับไม่มีเหตุอะไรทั้งนั้ น, นครับมันเป็นของมันเอง <c oughs> <c oughs> นะครับพวกนี้นะครับพวกปฏิเสธเหตุครับปฏ e ิเสธเหตุ ปฏิเสธกรรมนะอีกพวกหนึ่งเขาปฏิเสธผลความจริงเมื่อปฏิเสธเหตุนะก็ได้ชื่อว่าปฏิเสธผลไปด้วยนะครับงั้นนะเขาแกล้งพิเห น, นะครับอีกพวกหนึ่งปฏิเสธผลนะครับพวกปฏิเสธผลเนี่ยต่างที่นี้ผมน่าจะพูดสะสมดีกวะะ่าครับพวกปฏิเสธผลเนี่ยก็คือเป็นอย่างนี้นะครับแท่นะสิ่งที่บุคคลทําไปนะมันไม่มีผลอะไรนะครับ จะเป็นความหรือม่ความช่วยทําไปนะมันสักว่าทํำใช่ไหมครับมันไม่ได้เห็นผลเนความถึงความทุกข์ น, นะเราจะไปฆ่าสัตว์ฆ่าคนทําชั่วอะไรสารพัดก็แล้วแต่นะครับไม่มีผลอะไรทั้งนั้นนะครับมันเป็นโมฆะศูนป์ปานะไม่เห็นไม่มีผลอะไรนะครับอนนืพวกนี้เขาปฏิเสธอะไรนะปฏิเสธผลใช่ไหมนะครับปฏิเสธผลแล้วพวกนึงปฏิเสธทั้งเหตุทั้งผลนะครับ มันไม่มีเหตุผลทั้งใดใดทั้งสิ้นในโลงนี้ <c oughs> มันเป็นไปของมันเป็นอย่างไรเห็นผลนะครับอย่างเช่นว่าการที่ใครก็คนเนี่ยเอาไม่ไปเสียคนอื่นนะให้คนเขาตายเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นบาป ท, ที่จะให้ผลในความพูดไปตกนรอบกนะครับ <c oughs> มันก็เหมือนแค่ ไ, ไอ้ดางคือมหาพูดใช่ไหมสอนเข้าไปในมหาพูดกันนั้ <c oughs> <c oughs> นเองล้วมีคนไม่มีสารมีแต่อาการแล้วก็ไม่มีอะไรนั่นนะครับ ไม่ให้ผลปฏิเสธทั้งช่วงเหสิ่งทุกอย่างเลยนะนี่นะครับเป็นผู้ปฏิเสธไม่เห็นทั้งผลเลยแต่ความจริงเมื่อปฏิเสธเหตุก็ได้ช่วยปฏิเสธผลไปด้วยเมื่อปฏิเสธผลก็ช่วยปฏิเสธเหตุไปด้วยและแต่อันไหนจะออกหน้าใช่ไหมครับแต่ผู้ริษานปฏิเสธทั้งสองอย่างเลยนะครับนี่นะมไม่จฉาทิฏฐิอย่างนี้แหละนะครับอันนี้นะครับพอตายไปก็จะไปบาในภูมิใช่ไหมไปถึงนรกนะครับ บรรลุมองผลนิพพานไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะเขาเมื่อไม่สายเจ็บไม่เหตุถึงผลแล้วใช่ไหมอาการที่จะมาจดายิปัสนานะให้เห็นตายรักปัญญาจดายมตาละจะบรรลุมองผลไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมครับและจะพูดแต่มองผลเลยแม้สวรรค์ก็ไปไม่ได้นะครับเพราะกิเลสตัวนี้มันกั้นนะไปไปที่ไหนครับภูี้ตาแล้วจะไปที่ไหนครับใช่เป็นจริงหรือเปล่าโลกันตริยานรกนช่ไหมครับโลกันตริยานรกนะครับ พวที่เป็นมิจฉาทิฏฐิพวกนี้นครับแล้วก็นากว่าเวจีน า, นานเว้โนั่นานานะครับไปอยู่ใต่อยู่ตอนขอบจักรวาล น, นะคล้ายๆกับอะไรนะค้างคขาวใช่ไหมชื่อใต่ขอบจักรวาลหิ้วหวยนะครับมีในความมืดไม่เห็นพระที่พระจันทร์ส่องแสงไปไม่ถึงนะครับเขาจะใ ต, ต่ตามขอบจักรวาล น, นะแล้วเพราะ mm hmm. ว่าพอเจอกล้นั่นคือพอรู้ว่ามีอีกตัวหนี่ยเข้ามาใกล้ๆเขาจะรู้ใช่ไหมครับ ก็จะเข้าใจว่าเป็นอาหารนะครับแล้วก็จะโดดกลันน ด, ด, ด, ด, ดกันอย่างนี้เพราเรากัดปุ๊บก็จะปล่อยมือจากผนังนะพอปล่อยปุ๊บก็จะตกลงไปข้างล่างนะครับแล้วข้างล่างเป็นน้ำฝนนะครับตกลงไปก็จะละลายหมดเลยนะละลายถุนน้ําฝนนะครับที่ทรมานมากนะจะละลายทั้งตัวเลยแล้วก็ขุดขึ้นมาใหม่อีกครับไตจักรวาลต่อไตขอบจักรวาลต่อไป น, น, นะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเวลาช้านะครับทีนี้มันมี มีเวลาครับอ่านป่เกิน้อยีเขาไม่มีนานมากผมไม่รู้ว่ากี่ปีนะถนัดว่าโลกแตกตอนแรกน่ะเพียงยาปีิะเอังไงเยงย่าิกวะ้ครับพนี้เนอะผมว่าโหแลัวนน่อยู่นานนะครับอยู่นานเสือเสือสัตวพวกนี้ท่านจะเรียกว่าอะไรนะตอของว่าตานะครับบรรลุไม่ได้ก็ฟ้าก็ตาสนสารออย่างนี้เล คนก็บรรลุกันต่อไหนถึงไหนไม่รู้ไฟเยอะแยะแลนะตัวเองก็ยังอยู่อย่างนี้นะครับมันรู้ไม่ได้ น, ะะนอกจากว่ามาเกิดใหม่แล้วก็มันเจอเวท น, นาแล้วก็เนี่ยกับตัวกับใจอะไราได้ดถึงจะนั้นได้ะครับทีนี้อย่างที่สองคะครับกรรมมันตรายอนันตริยกรรมท่าหลวพี่หมาจะยังไม่รู้ใช่ไหมครัอนั น, นติยกรรมท่าอย่างใคยได้ยินบ้างที่อย่งครับอย่างใช่ไหมครับกรรมที่ให้ผลโดยไม่มีระหวา่าง หมายเพราะว่าถ้าเราทํากรรมห่าอย่างนี้แล้วนะครับชาติหน้าจะไปนรกแน่นอนโดยที่ไม่มีอะไรมาขั้นมาอะไรได้เลยนะก็มีการฆ่าพ่อฆ่าแม่ครับฆ่าพระอรหันต์อะไรก็ทํำโลหิตตุบาทําร้ายเพื่อเจ้าจนถึงเนี้ยพ่อเขาโลหิตใช่ไหมครับแล้วก็ทําสมคั้งแตกแยากกันห้าข้อนี้เป็นกรรมหนังครับไปนรกแน่นอนท่านเรียกว่าอนันตริยกรรม แล้วก็ไปอเวิชินารอบด้วยนะครับอาวิชิมหารอนะครับอยู่รอบเกลือครับอืมครับอนนันตรายนะอันนี้เป็นตรายทั้งแก่สวรรค์และก็มกรรคแล้วการเสด็จเมนถุนกับพิสุณีถ้าไปยินยอมพร้อมใจด้วยเนี่ยเป็นอันตรายแก่มรรคอย่างเดียวมาร่วมมั่งผลมบร่ว ม, มผลไม่ได้นะถ้าไปมีอะไรกับพิสุนีนะครับเพราะพิสุนีถือว่าเป็นสติผู้คือผมมันจันะมีศีลมากนะครับแล้วก็ไปมีอะไรด้วยนี่ไม่ได้นะห้ามมากเลยนะ แต่ถ้าถึงขนาดข่มคืนเลยนะอันนี้จะไปนะเละเลยนะครับมันจะพูดแต่มักผลแลม้สวรรค์ก็ไปไม่ได้นะครับก็ต้องตกน้องราของเขาถือว่าเป็นกำหนักนะคะครับสามนะครับวิปังกันตลาวิปปังกันตลานี่ห้ามจะเพาะมักผลเท่านั้นไม่ได้ห้ามสวรรค์ น, นะคะรับเนื่องจาการเกิดเป็นพวกสรีประชานนะครับพวกบันดอาะปตโตุยเพย์ชนโนกวนนี้บรรลุมักผลไม่ได้นะครับ นี่เราช้นมารลุไม่ได้นะพวกนี้ท่านเรียว่าคือปฏิสนธิจิตเ่เขาเกิดมาด้วยเบี้ยขาสันตินานิาบาตนะครับนะเขาเรียกวาเตุกับปฏิสนธิปฏิสนธิจิตขงเขาเนีสร้างกาลังมากนะครับไม่สามารถจะเป็นบาสถานให้บรูมอผลนิพพานได้นะพราะนั่นพวงนี้นะครับบารมผลนิพพานไม่ได้ท่านกล่วว่าทำดตารายแก่มากนะเคยปฏิสนธิจิตข้งเขานี่วิบากสันตขอาที่เขาได้มาครับ ตัวนั้นเป็นตัวตัวต้งใชไม่มีกํำลังและไม่มีบาตรฐานบรรลมรรคผลไม่ได้แต่ว่าไปสวรรค์ได้นะก็ทําความดีอะไรได้ใช่ไหมครับไปสวรรค์ได้ไม่ห้าและสี่นะการว่าร้ายพระอริยะนะครับอันนี้นะครับทํำรายทั้งแก่สวรรค์แล้วก็มรรคผลนิพพานนะแต่ต่าเท่าที่ยัไม่ขอขอมาท่านเมื่อขอขอมาแล้วก็ไม่ห้างแล้วนะครับไม่หานนะ้ามนะต่อไปนะครับอันสุดท้ายขใช่ไหม อนาวิกิตกรรมัตรายการจงใจละเมดอา่านแบบทั้งเจ็ดกองนะครับตั้งแต่ปราร้าชิดถึงทุพราศิลต่าว่าถึงนะไม่ใช่แค่แค่ปลาร้าชิดกับทุพราศิลสองกองอย่างนี้นะครับน้อยไปทั้งเจ็ดกองเลยนะนะครับแม้แต่ทุกข์กอทุพราศิ์นี้ก็นั่นไม่ได้นะคือผมไม่ได้เลยนะถ้าจงใจเมื่อเมืดอแล้วยังไม่ได้ทําคืนใช่ไหมเกิดตายไปตอนนั้นนะครับยิ่งต้องสังฆดิเศษอย่างนี้นะครับ ต้องมีขอนะครับคุณเต้ร้อไม่ได้เลยนะลูกจะออกอาวุธใหม่ครับจะได้ลงกลังทหารกัเกิดอันตราเอะไขึ้มานะถึงแก่ชีวิตในสณะนั้นอันตราเลยครับลกเลยมีเรื่องตี่ผมริขอนะครับีจแล้วเัดีนะครับ อันทํำรายทั้งสวรรค์แล้วก็ม่ผลนิพพานไม่ได้พอตายก็จะปยาบานใช่ไหมที่เราบอกว่ามีคติสองใช่ไหมครับคือนรกแล้วก็สริสานน ะ, นะส่วนนี้ก็ชื่บานไปแล้วนั่นหรืว่านะครับถ้าจะสวดสวดก็มาวาจานใช่ไหมให้แจรสลัดถ้ายอมสลัดก่อนที่จะสุดจบนะครับก็จะไม่ต้องปัญญาดีดแต่ทุกกฎต้องไปแนนนะครับก็เป็นรทุกขฎเสียนะ แต่ถ้าไม่ยอมส่วดจบเนี่ยก็จะต้องปันตีด้วยนะครับถ้าบอกว่าเนี่ยไม่ใช่แค่เนี้ยนะถ้าก็ยังยื้อดึงยังถือยึดถือทิฏฐิ อ, อย่างนั้นอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินะสองก็จะลงโอเตปนิยกรรมโอเคปนิยกรรมการยอ่ออจมูกขณะนะครับไม่ยอ่ดดยยอจมูกขณะไปเลยนะครับหมายความว่าไม่ร่วมศัลยกรรมด้วยนะครับมไมื่อนะช่ไม่พูดนะไ ม, ไม่พูดนะครับ เขาเรียว่าไม่ร่วมบริพกอด้วยนะครับธรรมะบริพกออามิตรบริพกองนี่นะไม่ร่วมนะครับไม่นอนร่วมชายคาด้วยนะครับคือพวกนี้นะ่ะจะหนักกว่าหนักกว่าอารัชีนะอารัชีเรให้ของได้สอนแสดงคำแม้ของได้ใช่ไหมครับนี่นะแต่พวกนี้ทั้งให้ทั้งรับไม่ได้เท่านั้นครับเราจะให้เขาก็ไม่ได้สอนเขาก็ไม่ได้นะครับหรือรักของก็ไม่ได้ทั้งสองอย่างเลยหนักมากนะแม้แต่นอนร่วมชายคาด้วยกันนี้ไม่ได้อะไรครับ ถึงจะเป็นกุฏิสองชั้นเข้าคลาางใช่ไมแล้วก็ไปนอนร่วมเขาไม่ได้เนตหาอะไรนยี่สังากรรมเนธรรมบริทองนี่ไม่ได้ต่อหมคงครับปฏิโมกข์เหตุการณ์ริวต้องไปอยู่รด้วยเนี่ยเราองาไม่ได้ไม่ได้ครับองบาเป็นแบาือถ้าคนที่ถูกเคปนิยกรรมนะไปนอนร่วมไม่ได้ครับถ้าเกิดเราไปเนี่ยสองบาไปตีอีคอนเข้าไปไปอีเลยครับ แล้วก็เมื่อแกถูกสองลงเขปนิยกรรมนครับก็ทํากับพื้นวันนะแบบพื้นวันคล้ายๆพรบปริวาสนะแต่ไม่ต้องไล่บอกวันนครับถึงมีการแบบพื้นว่านะแต่ไม่ต้องไปนอกวันนะมีการอะไรนะคล้ายๆพก็ปริวาสหลายอย่างนะครับห้ามสอนทําแสดงทำระหวางนั้นน่ะเขารียกว่าหาเย่อหญิงแบบพื้นแก้ตัวหน้ากับตัวกับใจสระความยนี้ผิดนั้นนะครับจนพระสงยอมรับใช่ไหมถ้าก็มาขอล้องให้พระสอฆเนี่ย แค่เรียกข้อวมูเหมือนเดิมนครับกับตัวกับใจนึกผิดได้ละพาะสมฆ์ก็จะเรียกแค่ข้าหมูนะครับสวนโดยการสวดนั่เรียกข้อวหมูทานก็จะได้สิทธิเหมือนเดิมไปมาดูธรรมที่มาอ่ะมาดูต้นไม้ใหญ่นะครับนะครับเรื่องพระอริษณ์นะครับเป็นมิจฉาทิฏฐิโดยสมัยนั้นพึุทธภาคพุทธเจ้าประทัาอยู่ณพระเสดตะวันอารางของอาถารพิบิดากข้าบดีเข็ดพันคอสามโมที ครั้งนั้นาาพระอริ tha ผู้เกิดจากคุณพานและมีทิศสามเพิงปานนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้เพื่วถึงทรรที่มระพาจ้าทรงสแสดงแล้วดังข้อที่ตัดทำเหล่าใดว่าทําเหล่านี้เป็นธรรมทำอัำตรายทาเหล่านั้นหาอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงไหมนะครับอย่างที่ว่านะอันตรายคือการลุมน้ําเมื่อพาะบัญญัตินะครับแกให้มเวทนาบัปราชีข้อเสร็จในถุนเลยนะ ที่ได้ฟังมาแล้วนะคร <c oughs> ับทีนี้ที่สุทัศน์หลานะครับได้ทราบขาวว่าพระอริธาผู้เกิเดจากคุณพานแล้วมีทิฏฐิทราบเห็นปานี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงทั้งวาพระเจ้าทรงสแสดงแล้วดังข้อที่ตัดทาเหล่าใดว่าทาเหล่านี้เป็นทำทำตราทาเหล่านั้นหาทาตลาแก่ผู้เสกได้จริงไหมแล้วพายเข้าไปหาพระอริธาผู้เกิเดจากคุณพานแล้วถามว่าเอาโสอริธะขาวว่า ท่านมีทิฏิเห็นปานี้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นว่า น, นะครับก็เหมือนเดิมนะก็ถามว่าเห็นท่ามีความเป่งนี้อย่างนี้ใช่มนะครับพาลิษาก็เล่านะครับว่าจริงอย่างว่านั่นแลอวุโสทลามผมรู้ทั่วถึงธรรมว่าเจ้าสงแสดงแล้วดังข้อที่ตัดว่าเป็นธรรมธรรมตรายธ้รมหล่านั้นหาธรรมตรายเก็บผู้เสพได้จริงมาก น, นครั บ, นะรบทั้งหลายก็เลยตักเตือนท่านนะว่าอาวุโสอาลิษะ ท่านจะได้ว่าอย่างนี้ท่านอจกได้การถูกพุทธมภาพเจ้าการการถูก พ, พุทธมภาพเจ้าไม่ดีแน่ พ, พุทธมภาพเจ้าไม่ได้ตัดอย่างนั้นเลยทําอันทำตระารพุทธมภาพเจ้าตัดไว้ด้ยปริยายเป็นอันมากนะครับปัญญาคือปริยายนะก็แลทําเหล่านั้นอาจทาตระาแก่ผู้เสพได้วยจริงจริงนะที่พองตัดไว้นะครับการทั้งหลายเนี่ย ทำไมพี่ึงต้องหลายเนี่ยพูดถึงการ น, นะก็เพราะว่าแกไม่เชื่อว่าอาบัติวราที่กขเสร็จเมนทะูลอ่ะจะห้าใช่ไหมครับจากกานนะก็เลยพูดในฟังการทั้ ง, งหลายคุาพระเจ้าตรัสว่ามีความดีน้อยมีทุกข์มากมีความขมแค็งมากนะครับท่อนในการทั้ ง, งหลายนี้มากยิ่งนะักการทั้ ง, งหลายคุณพระเจ้าตรัสว่าเปลี่ยนเหมือนร่างกระดูกนะครับเหมือนร่างกระดูกยังไงครับ ค่อมีรส อ, อร่อยน้อยนะครับไม่เห็นแม่หมาแค่กระดูก น, นะครับ <c ười> กระดูกที่ไม่ค่อยมีเนื้อมีหนังอะไรติดหรอกนะครับแต่หมาก็แท้นะมันยีดีน้ำลายตัวเอง <c ười> ใช่ไหมเดี๋ยวมีเลือดมีชาแล้วนะนี่นะครับการทั้งหลายก็เหมือนกระล่างกระดุกนั่นนะครับคือมีเรสออร่อยน้อยนะครับรสอรอน้อยไม่ได้เยอะหรอกนะควาจริงมีแต่ทุกข์มากนะครับมีความคอมแค็งมากโทษในการทั้งหลายนี้มากนิ่งนั การผหลายเมื่อพระเจ้าตัดว่าเปลี่ยบเหมือนล่างกระดูการผู้งหลายเมื่อพระเจ้าตรัสว่าเปรี่ยนเหมือนชิ้นเนื้อนะครับเปลี่ยนเหมือนชิ้นเนื้อนี่เป็นอยังไงเพราะทั่วไปใหญคน ม, มากนะครับใช่ไหมที่ท่านเล่าถึงนะว่าถ้าพวกอีกานะครับผู้อีกางหลายนะที่จะไปแยกอะไรนะไปฉกเอาชิ้นเนื้อใช่ไหมครับถ้ากาตูไรนะสามารถที่จะฉกเอาชิ้นเนื้อขึ้นมาได้นะครับ ผงกาที่เหลือทั้งหมดนะจะมาไล่จิกตีกาตรงนี้นะครับเพื่อให้แกปล่อยชิ้นเนื้อนะเพราะกาวัตถุกาใช่ไหมครับทุกรนต่างก็ต้องการนะครับเมื่อต้องการพอใครได้เข้ากุ้มเนี่ยคนที่เหลือก็จะมาแย่งชิงนะมาเพื่อจะเอาวัตถุกาอันี้บ้างใช่ไหมครับเนี่ยมาเหมือนกับกาตัวนี้หละครับเป็นวัตถูกาที่เหลือจิกตีแกก็จะพยายามรักษาชิ้นเนื้อนะครับแต่พอยถึงจิกตีมากๆแก่าทนไม่ได้ใช่ไหมแกก็จะปล่อย ชิ้นโบกปล่อย ป, อยปากปุ๊บชิ้นเนื้อมันหลุดใช่ไหมกาตรงไหนที่ไปทาาชิ้นเนื้อนั่นต่อเขาก็จะโดนรุมทุบปีโดยฝุ <c oughs> ่งการที่เหลือครับมาจิกตีนะครก็เนี่ยนะบินหนีกันเขาแยกกันอย่างนี้แหละนะมันเป็นของที่สาธารณะเก่คนมากครับมีโทษมีภัยเยอ ะ, ะครับกาตัวหลายมิมา่าพลาเจ้าสัตว์ว่าเปลี่ยนเงมือนคบยากครับเพราะว่าตามเผารนนะ แทนได้รับคาทุกความลำบากนะครับอย่างที่เรียนคุณปานนะท่านบอกว่าอะไรนะมันกับคนนะครับที่ถือคบเพลิงเดินทวนลมนะครับลมยิ่งลมแรงเท่าไหร่นะแล้วก็ถือคบเพลิงเดินทวนลมนะครับไอ้ไฟันก็ลุ่งหน้าใช่ไหมแล้วก็บอกว่าร้อนร้อนนะครับแล้วมันก็ช่วยหน่อยร้อนเขาก็บอกทิ้งสิทิ้งมันเลยเนี้ยไม่ยอมทิ้งนะ แกก็ยังเดินถือต่อไปแล้วก็บ่นว่าร้อนร้อเ <c oughs> นี่นะคนที่ศิลในกาลหนือยินในกางมากก็เป็นอย่างงั้แหละนะครับอาการท้องร้ายก็จะนําความทักข์หลายแหล่มาให้เนะเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องครอบครัวเรื่องหอยาระพัดใช่ไหมการงานการต่ า, างาๆเยอะมากมาะครับที่เป็นความทุกขติดตามเขาตัวเองนะเยอะนะครับลองถ้าใครเป็นคารวะนานจะรู้ใช่ไหมการท้องหลายมิฟาเจ้าตัดว่าเปลี่ยนมรุนฐานเธิมนะครับ เพราะเล่าล้อมันยิ่งนะการเ้างหลังยมิ่งว่าป้าเจา้าสั่ว่าเปลี่ยนเหมือนความฝันนะครับเหมือนความฝันมันเป็นยังไงเพราะตากดช่วยเวลานิดหน่อยนะครับมันสุดไม่นานใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ต้องทุกข์อีกนะครับทุ่ง์ทั้งวันเลยมืความสุดแค่นะนะั้นนะครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะมันไม่คุ้มค่านะครับอย่างนั้นนะแต่ต้องหูทุกเทียดการงานหาเงนินไม่ทันบ้างอะไรบ้างสารพัด น, นะครับแล้วมันก็จะเป็นเหตุให้ ไปอับายไปในโลกแดงอ่ะเราเวลาจะทำกุศลมันมีน้อยใช่ไหมส่วใหก็หมกมุ่งกับกุศลมันคุณต้องแสวงหาอย่างแสวงหาทรัพย์ไรนี่นะครับลำบากผมมีความสุขก็ชั่วแวบนะครับสุขไม่นานนะดี๋่ก็หมดไปหมดไปนะมันไม่อยู่ตลอดวันหรอกใช่ไหมครับงานเลี้ยงจะสนุกแค่ไหนก็ต้องมีระเวลาใช่ไหมใครมีความรู้สึกไหมครับเวลาเคยมีความสุขเนี่ยตอนสมัยเป็นเด็กนะเล่นสนุกสนานหรือว่าอะไรสักอย่างที่เรามีความสุขนี่ย ใครรู้คิด ไ, มไหมว่าเดนนี๋ยวความสุขนี้ก็จะหมดไปไใครคิดไหมครับมันเป็น <c oughs> ใารใครคิดว่านี่พิสุดใช่ไหมใครคิดใช่ไหมครับผมว่าใครคิดน้าตอนเป็นเด็กเนี่ยตอนเล่นสนุกสนุกอยู่ดี่คิว่าเดี๋ยความสุขนี่มันก็จะต้องหมดไปเกิดเสียได้ครับทั้งยังไม่หมดไปนะ <c oughs> แต่มารู้ว่าเนี่ยเดี๋ยมันก็ต้องหมดไปใช่ไหมเราก็ไม่เล่นทั้งวันไม่ได้หรอกอย่างมากกสองชั่วโมงครึ่งวันไรเงี้ยนะเดี๋ยวมันก็ต้องหมดถึงจะเล่นทั้งวันก็แล้วแต่ แล้สุดท้ายมันก็ต้องแยกย้ายกันไปใช่ไหมครับอันนี้ผมเล่นอะไรทั่วไปีนเข้าไปนั่เนเอนะครับมันนิดหน่อยไม่ย่งมันยืนนะครับมันไม่จางเราไปแล้วก็ต้องจางมันใช่ไหมนะครับที่จุดจะต้องจาันไปนะครับการทั้งหลายไม่ฟาจ้าแต่ว่าเปลียนเหมือนของยืนเพราะเป็นไปชั่วคราวนะครับล่องนี้เป็นสมบัติถังชมใช่ไหมมันไม่มีใครที่จะเสรสมอยู่ชั่วนาจการนินตร์ น, นะครับเปลี่ย น, นไปเปลี่ย น, นมา เราตายไปก็ลูกหลานหรือบางทีลูกหลานไม่ได้คุณก็ได้แทนใช่ไหมครับเปลี่ยนมือกันเรื่อยนะไม่รู้ว่ากี่คนนะครับจุด ก, กลางเมืายไรไม่มีใครได้เป็นเจ้าของฐาวงนวังเราเมื่องของที่ยืมเข้ามานะนีิสุก็ต้องทิ้งไปทุกอย่างการเมลางเมืมาพระเจ้าต่ัสว่าเปลี่ยนเหมือนผลไมา้มาผลไม้มีพิษด้วยนะครับบางนี้นะเหมือนผลไม้มีพิษเพราอะไรเพราะบั่นทอนอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งปวง การผู้หลายม่เ้ื่อาเจ้ า, จาตันว่าเปลี่ยนเหมือนขียนรร๋ยงสุำเนื่องนะครับนะครับเพราะว่าลองรับการสับโขนะครับทุกของโหเยอะมากใช่ไหมการนี่เอาเยอะนะลูกสิงด้วยผลสภาพผู้หลานแหล่นะครับมันก็ทําแม่้ว่าต่างมือสันนี้ยืดยาวไปใช่ไหมมันต้องทุกแล้วทุกข์อเจ็บแล้วเจ็บอีไม่รู้กี่ครั้งใช่ไมครับเห <Okay. S 1> มือนกับอะไรนะขึ้นเขี๋ให้สับโขนั่นเลยใช่ไหมนี mm hmm. ม่นั่นเลยนะครับ การทั้งหลายนี้พรเจ้าแต่ว่าเปลี่ยนเหมือนแห ล, แลวเพราะว่าที่มีแทนนะครับการทั้งหลายนี้พระเจ้าแต่ว่าเปลี่ยนเหมือนสีสังเงินนะครับเพราะว่าหน้าหวานละแว้แล้วก็มีภัยเฉพาะหน้าน ะ, ะมีทุกข์มากมีความครอบแค้นมากโทษในการทั้งหลายนี้มากยิ่งนักนะครับแกก็ไม่ยอมนะแกก็ยังยึดถือมาเดิม น, นะครับขณะเขาแสดงเขาไม่ฟังขนาดนี้น ะ, ะไม่ยอมนะเขาไม่มีทษอราะ อนี่นะครับผ้านิขสัมพุกเกินแต่คุณพานแล้วแม้พิสุเหลนั้นว่ากลายอยู่อย่างนี้ก็ยังยึดถือทิฐิเห็นปานนั้นอยู่ด้วยความยึดมั่นอย่างเดิม น, นะครับทราบอย่างกลา ย, ยืนยันว่ากับผมกล่ายอย่างนั้นจริงเอางูโสนทหลายผมรู้ทั่วถึงทำผ้าเจ้าทรงสแสดงแล้วเป็นต้นนะง่ายยืนยันเหมือนเดิมครับเมื่อพิสุเหล่านั้นไม่อาจเพือพ่อผ้าลิขสัมผู้เกินแต่คุณพานแล้ว จากที่จาริสิอันสามนั้นได้จึงพากันเข้าไปครอบมุภาเจ้าการเรื่องนั้นใี้สงทราบนะครับผู mm ้ hmm. วดวงก็กประชุมสงทรงสอบถามผ่านิขานะครับ mm hmm. แกก็ยอมเล่าตามเป็นจริงทุกอย่างนะ mm hmm. พู้ดวงก็ทรงติดเตียนนะครับทรงสแสดงคำนะก็เรื่องการเมื่อกี้นะครับแล้วก็เนี่ยพวกก็ตัดต่อนะครับต่อตอนท้ายว่านะ <c oughs> ว่าโธ่เนี่ยตัดโทษของการข้างหลายใช่ไหมครับโดยในปริยายเลยนะะเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอชื่อว่าตาดูเราด้วยทิฏฐิที่ทตนยึดถือไว้ผิดนะครับชื่อว่าทำลายตนเองและชื่อว่าประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอย่างมากนะครับเพราะข้อนั้นแหละจะเป็นไปเพื่อผลไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อผลเป็นทุกข์แก่เธอตลอดกาลนาการทําของเธอนั่น ไม่เป็นไปผู้ความเลื่อมสายของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมสายหรือผู้ความเลื่อมสายข อ, ของชุมชนที่เลื่อมสายแล้วนายพงศ์ก็ประหยะัดสากาศแบบนี้ขึ้นน mm hmm. ะครับฮะผู้กองมาแสดงทายฟั ง, ยงนี้นะแกก็ยังไม่ยอมนะ mm hmm. ในที่สุดเนี่ยใช่ไหมครับแกไม่ยอมครับพววงศ์ก็เนี่ยนะแกไม่ยอมแล้วจะทำยังไงนะ่ะที่สุดสองก็ลองอเขียนปัญญากรรมแกเลยนะครับยกออกจากมือข้าหน้าเลยนะ ไม่มีสิธ่ธิที่มาอยู่ร่วมสังกิจสังฆาต่างๆนะครับอารมิตธรรมะบริพุทธม่ร่วมแล้วนะครับแกไม่ยอมอีกนะครับไม่หาเยี่ยงอีกไม่เพื่แกตัวนะแกก็เลยหนีสึกออกไปเลยครับยังไงก็ไม่ยอมโอ้ยดื้มากนะนี่หัวร้านนะครับยึดถือเหนียวแน่นเลยขนาดเป็นหูสูงนั่นแกละที่ทํานะไม่ใช่นะยั่เป็นหัวร้านขนาดนั้นนะครับนี่จะศึกออกไปเลยนะไม่ยอม ไม่เหมอลูกอื่นนะลูกอื่นเขาดนลมกรรมแล้วก็เขาก็สมนุนได้ดทีหลังก็แก้ตัวนะครับ <ไป S 1> แต่รูปนี้ไม่ยอมนะครับ ย, ยอมตึกลงไปเลยนะครับเข า, ายอมคุณนะเนี่ยแจ้งตรงนี้ฟังนะครับก่อนที่จะคพังคืนนะท่านบอกว่าที่สู่ลูปนี้เป็นพระหูสู่นะครับเป็นธรรมกะเทือนี่นะรู้จักรายการที่กระทำที่เหลือได้นะครับอันใดที่กระทำเสียที่เหลือนะท่านเข้าแจ้งนะครับ แต่เพราะไม่ฉลาดในพรามวินัยจึงไม่รู้อันตรายที่จะทําคือการล่วงละเมิดพระมบัญญัติเพราะฉะนั้นเธอไปอยู่ในที่ลับนะครับในที่ลัาใช่ไหมต้องระวังความคิดนะะี้รับได้คิดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ครองเรือเหล่านี้<ม>ยังบริพกองมงคลหา้าเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นพระสกัดชาคามีก็มีเป็นพระนาคามีก็มีแม้ที่อยู่ทั้งหลายก็เห็นรูปที่ชอบใจพึงรู้ได้ทางจักษุใช่ไหม รูกที่ชอบใจนะครับเราก็ยังดูได้ใช่ไหมและนะครับย่อมถูกต้องปุิตภัอันน่าชอบใจือรูได้ทันาทางยบริโ่อเครื่องล่าและเครื่องนุ่มหงเป็นต้นแม้อัน่อนนุ่มข้อทั้งควรทุกอย่างนะครับใช่ไหมที่มาสัมผัสดีๆอะไรใช้ได้นะเพราะเหตุไรรู้สตีทั้งหลายละแกก็เลยเอาหมดเลยนะรูกเสียงกลิ่นและผลิตภัพฑ์อันตรีนะครับคือสตีทั้งหลายจึงไม่ควรอย่างนีิน่งเนี่ย ทำไมไม่ควรแม้สตีเป็นต้นเหล่านี้ก็ควรนะครับเนี่ยเทียบเทียงนะเทียบเทียงแบบทรผิดนะครับคิดต่างเองนะครับเทียบเทียงรถกับรถอย่างนี้แล้วทําการบริโภคกรรมคนที่เป็นไปกับด้วยสัญชาราคะกับการบริโภคกรรมคนที่ไม่มีสัญชาราคะนะครับคือของข้าในเราเนี่ยถึงเรายังมีการใช้วัตถุการบางอย่างใช่ไหมไรูปสิง่งรูปภาพที่มันดีเราก็ยังมีการใช้่ชไ้มครับ เคร่ง น, นุ่งห่มเครื่องปูราอะไรอย่างนี้นะแต่เราใช้แบบมีการพิจารณาใช่ไหครับถ้าใช้พิจารณาเนี่ยอันนี้บอกว่าเปนการบริโภคกรรมคุณที่ไม่มีสัมผัสราคานะครับใช้เท่าที่จําเป็นแล้วก็แบบพิจารณานะอันนี้จะไปเทียบเคียงนะครับแล้วก็มันคนละอย่างกับลูกสตรีนะอันนั้นนะเป็นไปกับราคาะไรเต็มที่แล้วใช่ไหมนะครับคนละอย่างกันอันนี้แกเทียบเพียงเองนะครับอยา่างสิติอาลาตมองให้เกิดขึ้นนะครับ ดูบุคคลต่อได้ละเอียดยิ่งกับเส้นปอกอันหยาซึ่งมันเข้ากันไม่ได้หรอกเส้นด้ายที่ละเอียนเอีด น, นะครับแกพยายามจะเอาไปต่อกกับเส้นปอกนี่นะซึ่งมันหยากนะครับมันเทียบเคงก็ไม่ลงนะจะไปเอาเครื่องปูล่าลไปเทียบเคียงกับอะสัมผัสของผู้หญิงได้ยังไงไอ้คนละอย่างาาใช่ไหมคนละความรู้สึกเลยนะไม่ได้นะครับดูดเอาเขาสินเนร์ดูเทียบเคียงกับแม่ผักกาครับาห่างไปมากนะ<อ> <laughs> ฉะนั้นจึงข่าวแย่กับพระสภายุติยาว่าฉะไหนผู้าพระเจ้าทรงมีอยปฐมปราชีดด้วยความศรัทามากนะครับเนี่ยว่าพาระเจ้านั้ ม, มีย่าปฐมปราชีทําไมนะครับดูทรงกั้นมหาสมุทรโทษในการเหล่านี้ไม่มีนะครับไม่มีท่อรอกดังนี้นะได้ตัดความหวังของพวกพระาพาผู้คลได้การประหารในอาณาจักรพระจินเจ้าถือว่าช้ชามากนะ